ธรรมชาดกผ่นที่สิบสองลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าพระมาหากบินหูดับถือจะโยกย้าก็ได้เย็นหลูกหลานมันในปากดังไป อย่าไปส่งเสียงดังวะพระพุทธเจ้าเป็นเว้าในครั้งพุทธกาลพอพระพุะองค์เสด็จเอ่อเสด็จกลับมาถึงวัดแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพร้อมกันบานในคนโป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 พระพุทธเจ้าคนบอกว่าเสียงอะไรนะั่นคือเสียงอะไรพระสงฆ์ก็เลยบอกว่าเสียงพวกคนติดตามที่มาทรงพระที่มารับชายพระเสียงสนั่นบันไหวยุดในทธาหนามแต่ส่วนพระเนี่เงียบบนนั่งไปขึ้นมาหอดเขากุตีลนะหาที่นัางพาวนาเงียบแต่พวกธีมาทรงเนี่ย เหล่นมวยป่มกันมาถึงถึงเถิดจไปสนุกสนานเฮโลกันพ่อปันคนมหาป่าในทานาําไปพระพุทธเจ้าพณนบอกว่าไปบอกนะอยู่ในความสงบอย่าไปส่งเสียงนี่แหละอันนั้นก็คือพระพุทธเจ้าในสรุปแล้วก็คือต้องการความสงบเป็นพื้นฐานจริ ง, รงๆมันไป บังในพระไตรปิฎกของเพิินแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดห้ามสงเสียงไปในพระภิกษุสงฆ์คือกันยาสงเสียงจะใส่เสียงดังก า, การใส่เสียงดังบ่แมเนเรื่องของพระผู้ตองการความสงบอย่างหน่อยก็ไปกระทบกระเทือนผู้อื่นถึงคุ้ยกันสองคนกนระจิงอยู่แต่มันไปกระทบผู้อื่นเสียผู้อื่ น, เ ส, นเสียสมาธิ เสียงนกเสียงน้ำเสียงแยงก็ตามมันพอเป็นอันตรายต่อสมาธิยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เสียงสร่างเสียงเสือเสียงแยงก็ตามอันนั้นคือเสียงธรรมชาติมันก็บอเป็นอันตรายกันเสียงเสือนเออขันที่พักของเข้าบ่มม้แน่นหนาหมันคล้องกับขึ้นานมันคือกันนะขันที่พักของเข้าแน่นหนาหมันคง ปลอดภัยเขาขอบุญญาณมันคือกันแต่ว่าถึงอย่างไรก็เป็นเสียงอบอกเป็นอันตรายคือเสียงมนุษย์กั้นเสียงมนุษย์นี่คือเสียงพ่อเขาบอกขึ้นมาเอ้เขาบอหยังเหตุหูหน่อยฟังเราไปเพราะเหตุหูหน่อยฟังเน่ยคืเสียสมาธิระบาดเนี่เสียสมาธิในการได้ยินได้ฟังแล้วพยังแยกไปเอกบานนี่ แยกไปอีกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเสียงผู้ชายเป็นอันต ร, รายต่อผู้หญิงเสียงผู้หญิงเป็นอันต ร, รายสมาธิของผู้ชายพราะผู้ใจเจ้าเป็นยังแยกอีกกนออกไปเร่รามันเสียงมนุษย์เฉยๆไดเ้เพราะเสียงมนุษย์อะยังมาแล้วยังแยกอีก่บาตนี้พวกเข้าคืดๆปังรูบาตรนี่มันแมนบอกกันออกไปอันนี้เพิ่นบอกนาะยพระไตรปิฎกนะ ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกวันก่อนหลวงพ่อได้ไปฉันอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูก็จัดโซลุงมขายรถเขานิมนต์พระในวัดของเราเจ็ดแล้วก็เอาอมาทำกงเพลนหนึ่งแล้วก็ท่านรัตนะหนึ่งรวมแล้วเป็น9ก้ารูปไปฉันอยู่ที่ จังหวัดน้องโวลลำพูมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีรู้สึกว่าเจ้านายในน้องโบลลำพูมามากหลายท่านเมือ่อวันที่19าจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปจันเสร็จแล้วก็ไปขึ้นไปกราบหลวงปู่เพงทำกองเพงว่าท่านอยากจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์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 จากนั้นหลวงพ่อก็เลยนิมนต์ท่านไม่ให้หลงมาหลวงพ่อก็เลยขึ้นไปกราบฆราวะท่านทําความเข้าใจแต่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเพียงแต่รับูร้รับทราบพอภาระของหลวงพ่อเนี่ยยังหนักหนาอยู่เพราะว่าได้รับภาระเกี่ยวกับเจดีองค์หลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยิงเพวัะนั้นหลวงพ่อจะรับเรื่องอื่ น, อ, น, อ, นอื่นอื่นอีก ก็คงจะไม่คงจะไม่ถูกต้องตัวอตวีตัวนี้ก็ยังแบกหนักอยู่หลวงพ่อก็เพียงแต่ว่ารับเป็นผู้ประสานเป็นผู้ประสานหาอะไรที่มีความจําเป็นมาหรือว่าอยากจะให้ช่วยเหลือแต่ถ้าว่าเรื่องการเงินนั่นก็จะอาศัยหลวงพ่อเต็มที่คงไม่ได้เพราะหลวงพ่อก็ได้รับปากออกปากไว้แล้วว่าจะหา ทุนเพื่อสร้างเกีย์พิธธพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเมื่อสองสามปีข้างหน้านี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นหลวงพออ่อก็ได้ลงไปไปพักกับวัดของท่านรัตนวัดรวมธรรมพอตอนเย็นก็ไปวัดหลวงตาแตงอ่อนอำเภอวานนทิวาดจังหวัดสกลนครครบรอบห้าสิบวัน ของหลวงปู่แตงอ่อนที่ท่านมรณะภาพนะพอไปถึงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเยอะคนมากแต่มองมองดูแล้วก็เป็นคนในท้องถิ่นเป็นคนในท้องถิ่นในละแวะกของพวกเราพอประมาณทั่วทุ่มหนึ่งท่านสวดอะไรเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็เมื่อวาน พอแสดงธรรมแต่การเทศการแสดงธรรมเมื่อคืนวันที่สิบก้าดูดูแล้วไม่ไม่ราบรื่นไม่รื่นเพราะเหตุไรยพราะคนมันเยอะพอเยอะเสร็จแล้วก็คนที่สงเสียงก็มีคุยกันก็มีเพราะมันคนเยอะนะหลวงพ่อก็เลยเทศแบบ เพื่อฉลองศรัทธาเพื่อให้งานจบแล้วก็เขวถวายเจตุปปัจจัยกันเทศมาหลวงพ่อก็มอบให้ทางวัดไปเพื่อสร้างเจดีย์เพราะท่านสร้างเจดีย์ยังไม่เสร็จเจดีย์ดูดูแล้วข้างนอกเหมือนจะเสร็จนะแต่ข้างในยังไม่ได้ตกแต่งหลวงพ่อเขไปดูข้างในขึ้นไปดูถึงชั้นบนเลยชั้นที่สาม ขึ้นไปดูเรายังอีกมากเจดี JD คงจะได้ใช้เงินมากอยู่แต่ตัวท่านเองท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าเจดียังไม่เสร็จนะอย่าไปเผาอย่าอย่าไปเผาเรานะให้เจดีเสร็จซะก่อนค่อยประชุมเพลิงเลอกเผาเผาเราคล้ายๆกับว่าท่านเป็นห่วงเรื่องเจดีถ้าประชุมเพลิงท่านซะเจดี JD อาจจะไม่เสร็จ เพราะไม่มีใครมาแต่ท่านว่าศพของท่านยังอยู่สิทธิานุสิทธิ์กับพวกคุนเวียนไปไปดูไปเห็นหท่านก็ได้สั่งเสียไว้เพราะนั้นศพของหลวงตาแตงอ่อนเนี่ยยังไม่มีกำหนดจนกว่าเจดีจะแล้วเสร็จหลงพอทราบมาจากนั้นอย่างนั้นตอนเช้าบิณฑบาตก็รู้สึกโอ้พี่น้องประชาชนลูกหลานล้นหลาม กระโดยมากเป็นชาวบ้านอย่างที่ว่านั่นเป็นคนในท้องถิ่นเป็นส่วนมากประสงค์ก็มากพอจากนั้นก็พอฉันเสร็จแล้วก็ทำพิธีถวายผ้าป่าแล้วก็เพื่อจะหาทุนสร้างเจดีย์ของหลวงตาแตงอ่อนหลวงตาที่ท่านยังค้างอยู่นะ แต่พวกเราวัดของเราตั้งแต่ค่าวก่อนนะหลวงพ่อไปงานสงน้ําศพท่านพอสงเสร็จแล้วหลวงพ่อกคิดว่าเจดีก็คงจะแล้วเสร็จมองดูข้างนอกเพราะหลวงพ่อไม่เคยไปไปเป็นครั้งแรกไม่เคยไปวัดท่านเลยตัแต่ก่อนหน้านี้นะพรหลวงพ่อเองเคยอยู่กับหลวงตาแล้วก็ไม่ได้ไปหาองค์อื่น อ, ออกจากหลวงตากลับไปก็ไปกาบคละวะ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 รถสุดท้ายรุ่นหลวงปู่ล่าหลวงตาเนี่ยที่อยู่น้องผือานาในท่านคงอยู่กับองวงหลวงปู่มั่นกี่ปีเราก็ไม่ได้ทราบเดี๋ยวเรากไไไไ็ไม่ได้มันได้มีประวัติของท่า น, นแล้วก็เนี่ยแหละเราก็ได้รวบรวมจุดตุปัจจข่าวก่อนที่ไปเห็นเราก็คิดว่าเจดีแล้วเสร็จพอไปเห็นโอ้เจดีย่าังมากเราก็เลยถวายปัจจัยไปข่าวนั้น ตามไม่จริงได้นําปัจจัยไปเพื่อนําไปใช้ที่อื่นด้วย อ, อแต่พน้นในสุดพอไปเหตุเจดีเราก็เลยเราก็เลยมอบให้ทั้งหมดออหมอบให้ทั้งหมดสี่หมื่นสี่หมืนบาทแต่คราวนี้เราก็อือ่นเจดีของลุงตาแดงอ่อนะยังมากอยู่เราก็เลยแนะนําจะตุกปัจจัยทางวัดไป เ, เพื่อจะไปร่วมสมทบเป็นผ้าป่าคราวนี้แหละเมื่อวานนี่แหะที่ทอดเสร็จแล้วเราก็จะ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 นละภารกิจภารกิจของหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานได้รับทราบเป็นพระก็ยุ่งยากอย่างพระนะั่นมีภาระทุระเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยู่นัสถานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศล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 มันกระตกหยดลงไปในตุ่มอีกสักวันหนึ่งตุ่มก็เต็มไปด้วยน้ำไร่เหมือนกันนี้ก็เหมือนกันการสั่งสมบุญกุศลเข้าเข้าสู่จิตใจทีละน้อยละน้อยผลในสุดบุญมีก็เต็มเปี่ยมได้อันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าถ้าว่าเราไม่สั่งสมบุญกุศลไม่เชื่อซะแล้วก็เอาองค์ไปแล้วก็ไปความปากลงดิน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 ใจของพวกเราถ้าเราไม่เชื่อจะอย่างไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เลือกไม่เชื่อวันนรกสวรรค์มีไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเหมือนกับเราคว่ำโอ่งน้ําอย่างนั้นแหะหันก้นขึ้นฟ้าแล้วบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของเราได้อย่างไรเกิดมาพบใรชาติใดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปตลอดมีแต่ความทุกข์ยากลําบากไปตลอดอ น, นี่แหละอันนี้คือการสั่งสมบุญ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 มีบริวารมีทหารารักษาประจำทหารคล า, ายคลายวาราดตเวนการราดตเวนเนี่ยไม่ใช่แต่ทหารราดตเวนนะพระเจ้าแผ่นดินก็ขี่ม้าเหมือนกันราดตเวนเหมือนกันไม่ใช่แต่ไปเชื่อแต่ทหารไม่ได้ถ้าเป็นทหารทหารไป น, นอนหลบหรลีกหนีอยู่ไม่ราดตเวนประเทศชาติเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขที่ที่หลังยากเพราะฉะนั้นพระเจ้เาแผ่นดินน่ ถึงอย่างไรก็ตามสั่งไปแล้วก็ต้องไปดูเป็นทหารราตรเวนประเทศเขตแดนของตนเองอยู่ในความสงบค่อยๆรักษาอย่างเข้มงวดกวดขานเพราะศึกสงครามในสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาแย่งประเทศกันพระเจ้าแผ่นดินมหากรบินนี่ก่อนเน่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีทหารเป็นพันวิ่งตามหลัง ท่านี้ไปเห็นพวกพ่อค้าพ่อค้าเวียนเขาก็มาพักเกวียนเขาขายสินค้าเขามาจากเขามาจากนั่นกุงสวัตถีกุงราชคือกุงสวัตถีกองสำพีจากนั้นก็มาถึงเมืองของเขาไปจอดจอดแล้วเขาก็ขายสินค้าขายสิ่งของท่นี้พระเจ้าแพ่นดิตมหากบินเนี่ยก็เข้าไปถาม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 ทำมาค้าขายตามหัวเมืองต่างๆตอนนี้พ่อค้าเหล่านั้นเขาก็บอกว่าืออที่ผ่านมาเนี่กรุงสวัสดีพวกข้าพระเจ้าได้ไปทาบุญกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะในโลกเดียเ๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพอพระมหากระบินได้ยินว่าว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั่นแหละ โูดับปิ้งเลยว่างั้นเอะเป็นหล่มว่างั้นเถอะคล้ายว่าความพอใจในใจนออในจิตในใจหนึ่โอ้โหคล้ายๆว่าเออคล้าว่าเาานี่ยแหละพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ธรรมดาใครเล้าว่าท่านติดพบติดชาติมาจนพอแรงแล้วในเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนกอดพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกอัเดียวนี้อยู่กรุงสาวัตถีะ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 กุงสาวัถีพอว่าทะนะ่านดับไปอีกครั้งที่สองพอครั้งที่สามยังตั้งสติได้อะไรกเก อ, อบอกว่าพระเจ้าบัตพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นแล้วในโลกประทับอยู่ที่กรุงวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารอยู่ในกรุงสาวัถีโอเป็นลาบของเราแล้วนะเอาบูชาบูชาที่ว่าได้ยินข่าวดีอย่างเนี้ย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 สรุปแล้วก็คือพวกพวกข้าวเหล่านั้นได้เงินสามแสนบริจาคที่บอกข่าวมาบอกข่าวเรื่องข่าวให้พระพุทธให้พระเจ้าพระมหากบินที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินพวกพวกขาเกวียนจากนั้นพวกมหากระบินไปพวกเราไปเดินหน้าไปกรุง สวัสดีจากนั้นพระพุทธองค์ทราบข่าวว่าพระมหากบินจะเดินทางไปพระองค์ก็เดินทางออกมามาลับคล้ายๆมารับครึ่งทางลักษณะอย่างนั้นแนะมาถึงทีนี้ก็มหากบินคนี่วบมาได้กไปทั้งฝูงเลยอย่างั้นแหพอไปั้งฝูงก็ได้ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าโอ้เห็นจริงๆฟังแล้วก็ซึ้งในใจพอเสร็จแล้วก็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 กันนั่งม้าก้นไปควบไปทางไหนพอไปไปเจอพ่อค้าเกวียนพ่อค้าเกวียนมานี่แล้วนั้นอนี่กับนางก็ได้ฟังอีกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์เกิดขึ้นแล้วในโลกนางอโนชาก็ให้พ่อค้าเกวียนเหล่านั้นคนละแสนไอถุงข้างละแสนละแสนเหมือนกับมหากระดินจากนั้นไปทางไหนก็ไปแล้วนึกถึงกับบริวารเป็นพันเหมือนกัน เพราะเป็นแฟนของทหารทั้งหมดที่ติดตามตามไปเลยตามไปพระพุทธเจ้าไม่ให้ไม่ให้เจอกันนะคนสองกลุ่มไม่ให้เจอกันถ้าไปเจอกันถ้าเห็นกันเนี่ยฟังเทศพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องเท่ากันเถอะพราะมันกิเลสกิเลสพอไปเจอกันแล้วกันมองหน้ากันเนี่ยมีแต่อยากจะพบอยากจะคุยกันพระพุทธองค์บันดาลไม่ให้เห็นกันทั้งสองฝ่าย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 พระพุทธองค์ก็บวชให้เอหิภิกขุนะอุปสมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทาเรากล่าไว้ดีแล้วนะท่านก็เป็นภิกษุจากนั้นก็ส่งนางภิกษุณีไปบวชอีกกับนางโคตมีนะจากนั้นก็ไ้บวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลทั้งฝ่ายอัคคมเหสีทั้งฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละนี่เมื่อท่านได้สำเร็จเป็น ระอรหันแล้วน่ท่านไปนัสถานที่ใดท่านจะเป่งอุทานวาสุขหนาสุขนาสุขหนาสุขหน า, นาไปที่ไหนท่านก็บเป่งอุทารตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นปุตุชนก็เอ๊ะพระมหากบะินเนี่ยคงจะคิดคืมคืนมาแล้วก็คงจะคิดถึงสมัยเป็นฆราวาส อ, อยู่กับขนมนาลีครองราช ก็คงคิดขึ้นมาได้เมื่อไรก็คงโอ้สุกเนอสุกหนอสมัยนั้นฮะ อ, อย่างนั้นก็มังที่บนบนเพ้อเพอแบบนี้ตอนนี้พระองค์ก็ถามพอพระ ส, สงฆ์ไปฟ้องพระพุทธเจา้าสมัยก่อนพระพระ ส, สงฆ์ก็ขี้ฟ้องเหมือนกันนะไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเรียกพระมหากระบินมามหากระบินมานี่ยซมหากบินเข้าไปเข้าไปเอเอกระบิน เ, เธอไปณนะสถานที่ ต่างๆแล้วก็บ่นขึ้นว่าสุกนอสุกนอสุกนอเนี่ยเธอบ่นถึงเรื่องอะไรเธอบ่นถึงเรื่องสมัยก่อนเธอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคลองลาดมีอัคคีหสีมีสนมนารีมีความสุขทหารแวดล้อมออมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมที่ท่านบ่นว่าสุกนอสุกนอเนี่ยพระมหากรีนบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าค่า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 บุตรของพระพุทธเจ้านะผู้ที่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันตะ์นี่แหละจากนั้นท่านพระมหากบินองค์นี่แหละท่านมโมเราได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้ววันนี้เป็นวันอุโบสถเราไม่ลงอุโบสถก็ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าอุโบสถก็คือออกไปจากใจถ้าเราไม่ใจไม่คิดไม่ออกไปทางการกระทําทางกายทางวาจาถ้าใจของเราบริสุทธิ์เชอย่างกายวาจาของเรา จะทำอะไรก็คงไม่ทําอะไรก็ไม่ผิดไม่ไนายเนเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าควรจะเข้าสมาบัติสวยวิมุตติสุขจะดีกว่าคงไม่ลงอุโบสถวันนี้ตอนนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่วัดป่าเชตะวันท่านรู้วาราจิตของพระมหากระบินไม่ลงอุโบสถพระพุทธองค์โอไม่ได้ถึงท่านจะเป็นพระหรันเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จียงอยู่แต่ว่า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 หน้ากุฏิของท่านมหากบินนะพอไปถึงที่นั่นพกเอาก็เหยียบรอยพระบาทตามพระจิงพระพุทธเจ้าจะไม่มีรอยพระบาทง่ายๆนะอันนี้เหยียบรอยพระบาทตรงนั้นเลยอธิษฐานเป็นรอยเห็นได้ชัดเลยพอพระมหากบินออกจากสมาบัติท้า น, นนะ่ะไปเห็นโอ้โหตายเกิดเรื่องใหญ่แลนะ้วเนี่ยพระพุทธ อ, อ, องค์มาเหยียบพระบาทตรงที่หน้ากุฏิของเราเลยเนะี่ย อย่ยพระมหากระินกเกรีบอ้าวเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขา้ า, า, าพระองค์เห็นรอยพระบาทที่หน้าน่ากุติด้วยเหตุอะไรห น, หนอพระองค์บอกว่ากระินเธอคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะแต่ต้องลงอุโบสถเพราะลุ่นพี่เนี่ยต้องรักษาวินัยต้องรักษากฎระเบียบถ้าว่าพวกท่านผู้ไดสาเร็จมั่งสำเร็จผลแล้วไม่เคารพในหลักพระธรรมวินัย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 ประกอบคุณงามความดีต่อไปสิ่งที่มันชั่วชา้าเสียหายเลวทรามอย่าไปทําถ้าทําก็ติดภพติดชาติอีกเหมือนกันนะถ้าเคยเป็นขโมยชาติที่แล้วมาม า, มาชาติได้กันาดนะั้นตีนสั้นมือยาวขี้ขโมยเหมือนกันปบไปในครั้งพระพุทธเจ้าไปเพิดอไปขโมยของพระของพระอหรหันต์อีกไปขโมยของในวัดของพระพุทธเจ้าอีกพราเราสั่งสมไปทางขโมยใช่ไหมเป็นทางไม่ดีอีกเหมือนกันนะ